อันนี้ขอพูดด้วยความจริงใจบุคคลใดที่รู้ธรรมะแล้วไปทําสิ่งที่เวลว้ๆนะขอเปรียบเทียบและอุปมาไม่ใช่พูดให้คนพูดเป็นข้อเปรียบเทียบสุนักมันกินอาหารไปแล้วมันอิ่มไปไอเจียนอ้วกออกไปแล้วมันกลับขึ้นไปอาเียนไปกินอาเย็นเหมันได้แล้วก็คิดว่าดูคนนี่ศึกษาธรรมะว่ารู้จริงแล้วทําไมไปทําความเลวร้วายอย่างนั้นได้ ก็ชีวิตของบุคคลพูเ้เชนนั้นก็ไม่เหมือนกับสุนัขไปแล้วเหรือครับอันนี้ขอพูดด้วยความจริงใจเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดแล้วเราจะปิดงานกันในระยะเรียกว่าเย็นวันนี้แนละ้จึงจะพูดกันได้พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปพูดกันเชิญท่านอาจารย์กูรู้ไปพูดในงานกระถินที่บ้านบุคโฮมแต่ตัวอาจารย์มานี่บางทีอาจจะไม่ไป ดังนั้นเป็นการเกือนจิตสกิจใจกันวันนี้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจว่ากินเท่าไรไม่หายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นรักคนอื่นก็รักตนของคนกลัวกับกล้าสิ่งที่สั้นเราเข้าใจว่ายาวปอกหมากท้าบ้านอาจารมาเรียกว่าหมากท้าปอกมะพ اؤ ต่างต่างหมากท้าเอาแข่กัดคนง้เท่านั้น ทำอย่างนั้นมีลูกอ่อนอดรัดไม่ลูกฝางคนมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นจึงจะทําอย่างนั้นคนตาบอดหลงทางไม่ถามใครอวดดีว่าเรามีความรู้อวดว่าเรารู้คนตาบอดหลงทางมาถามใครมีจอละแค่ใหญ่แลนดลงน้ําเข้าไปน้ําก็ตายแล้วมีแค่มีแค่ขึ้นต้นไม้สูงสุดนึกว่าเราศึกษาธรรมะจบแล้วเนี่ยกลับไปสอน สิ่งที่เลวร้ายต่ำต่ำอันนั้นเ้ียว่าอยู่อย่างสูงกินอย่างสูงนอนอย่างสูงกลับไปทำงานสิ่งที่เลวร้ายเ้ี่ยบากลับทำงานอย่างต่ำพวกเรามาที่นี่อยู่ที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่อยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำแต่มุ่งหวังทำงานอย่างสูงแทนพระพุทธเจ้า ขอให้พวกเราเอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเอาเองสิ่งที่พูดนี้แต่เรื่องนี้อาจจะมาจดจํามาจากพ่อแม่ของเราหรือปู่ย่าตายายของเราเคยสอนให้พูดทีเดียวจบไม่ได้หลายครั้งหลายหนพูดแล้วพูดคุยแล้วคุยท่านสอนท่านพูดให้ฟังคนแก่ๆพูดเรื่องนี้แต่คาพูดนั้นมันมีมานานแล้วเราไม่เข้าใจ ตีปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้อาตมาเมื่อเข้าใจธรรมะสิ่งที่ท่านเคยสอน่พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเท่านั้นแหละลูกหลานใครจะรู้ได้อย่างนั้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวพระพุทธเจ้าเป็นคนวิเศษไหมไม่อันนั้นไม่จริงตามปกติผมคนมันต้องยาวตัดแลว้วก็ยาวตัดแลว้วก็ยาวสิ่งที่เป็นธรมธรมชาติกฎของธรรมชาติน่ะ พระพเจ้ารู้เห็นเข้าใจแล้วอันนั้นเน่ไม่ยาวไม่ยาวเท้าเดิมเป็นกฎของธรรมชาติอยู่อย่างนั้นตายตัวไปตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าดูอย่างตำกินอย่างตำนอนอย่างตำมุงจะสอนเรื่องนี้ให้คนเข้าใจเรื่องนี้เมื่อคนเข้าใจเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงมันก็เป็นธรรมดานี่เอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงคือคนธรรมดาธรรมดานี่เองรู้สิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดานี่เองแต่ทําการทํางานตามหน้าที่ได้เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ทํางานได้เป็นครูได้ไม่ได้ไปสอนหนังสือก็ได้แต่อามาเขียนหนังสือไม่เป็นเป็นตํารวจได้ไม่ได้เป็นทหารได้ไม่ได้เป็นอะไรได้ทั้งนั้นเพราะทําการทํางานตามหน้าที่เท่านั้นจึงว่าราบยศนาเสริญ เป็นสมบัติของบุคคลที่ไม่รู้อาตมาขอผู้ทุกข์จริงใจเนี่ยแล้วความจริงอีกด้วยนะอาตมาก็ถูกเหมือนกันแต่เมื่อในขณะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ไม่นานแนะก็มีเรื่องที่บ้านอาจมามีเรื่องฟ้องฟ้องกันเรื่องมูลนิคนนี่มันชอบเข้าข้างตัวมากซื้อเสื้อมาให้ผืนหนึ่งราคายี่สิบบาทในสมัยนั้นราคายี่สิบบาทไม่ใช่น้อยนะ อยากให้สู้เองโอ้ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องออกมาก็ได้พอมีเรินอเสื้อเสื้อนุ่งพอมีเอาขึ้นไปนุ่งเขาได้จงใจเรืเสื้อมาให้แล้วเอาไปนุ่งเธอะก็เลยนุ่งให้เขาจริงๆอย่างนี้นุ่งให้แต่ว่าช่วยไม่ได้หน้าที่ของเราผิดก็ต้องผิดถูกก็เป็นถูกแต่ว่าเป็นธรรมดาอันนี้ว่าทําการทํางานตามหน้าที่ไม่ต้องคอยอรับค่าสินจ้างรางวันอะไรทั้งหมดเลยอย่างเนี้ย เราต้องคิดอย่างนั้นเป็นตำรวจก็เช่นเดียวกันอาจจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ก็ก็ถามอย่างนี้น่ะก็มีพ่อกำนันอีกด้วยมาเลือกข่าวนั้นแต่เพราะว่าเขาต้องการให้เป็นก็ต้องถามแล้วก็มีคนเฒ่าเฒ่แก่ๆเนี่ยเป็นเลือกเลือกก็โอ้ยจำเป็นก็ถามจะให้ผมเป็นเพราะเรื่องอะไรก็ให้เป็นดูให้เป็นกี่วันไม่นานละเป็นเท่าใดก็ได้ขอแจ้ให้เป็นให้ทดลองก็เป็น เป็นได้ประมาณจากปีหนึ่งลาสิบสองครั้งแหมไม่เอาแล้วเรื่องชิวิตอย่างนั้นไม่เอาจริงๆเพราะพูดแล้วคนนั่งกอต้องการมีความผิดอยากให้ช่วยคนนี้มีความผิดก็อยากให้ช่วยจะไปช่วยกันได้ทำไมผิดเป็นผิ ด, ผดถูกเป็นถูกเราทํางานไปตามหน้าที่เท่านั้นเองลาสิบสองครั้งก็ไปพูดกับกำนันกำ น, นัำ น, นเป็นลูกเป็นลูกแถวแถวพูน้องเด็กเสื้อซาดกันเออถ้าหักโทษเถอะว่ามึง มึงเขาเป็นรุ่นน้องมึงไม่ให้ปูลามึงต้องเปลียนคำนันเดี๋ยวนี้มึงต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกด้วยก็ต้องพูดอย่างนี้ก็พูดกันหลายเรื่องอ่ะพอกำนันก็เลยพูดเอา้าลาให้มันซ ะ, ะเป็นสงน่งในอำเภอซะกำนันก็ถือเอาจดหมายนะ่ะไปให้ใน อ, อนำเภอพ่อในอำเภอมาอีกแล้วอ่าววันนี้ก็ประกาศกันว่าอ่าววันนี้ขอให้พี่น้องรัษฎรทุกคนมาที่นี่จะเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านให้เราก็ดีใจ นึกว่าเราจะได้ออกหนีจริงๆพอดีญาติโยมมากแล้วอะเดี๋ยวนี้ผู้ให ญ, ญ่บ้านคนเก่าหายไปแล้วั้างผู้ให ญ, ญ่บ้านคนนี้หละให้แทนใหม่หมดเรื่องแล้วเอ้หมดเรื่องเอ๊ะทาไมพูดอย่างพอดีไปกินข้าวด้วยกับแมอ่อำเภอกินข้าวที่บ้านก็ทํามาแทนอำเภอจิ้งวะไม่ไม่เอาให้ผมก็รัษสานทุกคนเขาดึางให้คุณทำให้คุณทำโอ้โหตายอย่างนี้ผมไม่ชอบจริงๆเรื่องเนี้่ย ทำไมไม่ชอบเพราคนมีความผิดแล้วอยากให้ผมไปช่วยผมจะช่วยได้ทาไมเพราะผมช่วยผมก็ไม่มีธรรมะทองใจผมก็คล้ายๆเือไม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์กินของที่สกปรกเหมือนกับสุนัขกินนังมากแล้ ว, วอ้วกออกมากลับคืนไปกินอาเจียนของตัวเองผมไม่อยากเอาจริงๆโอ้ถ้าไม่อยากเอาจริงๆแล้วคุณท่านสอนแอมเพอสอนคนก็หนีได้หกเดือนหมดเองทันไวนะ ก็หนีหนีหกเดือนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้โหแหยหายใจไม่ไหวคุกที่สุดไปแบกโลกเรื่องนี้อาตมาจึงไม่เอาเสียแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่เอาจิงจริงอันนี้พูดโกงจริงให้ฟังลาแล้วก็เออดีแล้วลาแล้วยังมาถูกเรื่องทั้งสองสามครั้งแง้คะแนงเขาทุกครั้งครั้งที่จะไปหลุดเนี่ยคะแนงเขาหลุดอาตมาเสียงหนึ่ง อาตมายัางได้อีกด้วยนะสอนกับเสียงตัวเองเออจะเอาอยเอาคนที่พุทผู้ต้องการเถอะครับพูดแน่นอนเอาเถอะให้ผมหลุดไปเสียทีเถอะตำเย็นกาก็เอยเออตัดเสียใจเอ่อแต่ลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเรื่องอย่างเนี้ยจะเอามาทมําไหมก็เลยสบายใจทุกวันศึกษาธรรมะครองตัวได้ดีนี่มันเป็นข้อมจริงนํามาเล่าให้ฟังดังนั้นถ้าท่านทัน้งหลายอยู่ที่นี่เป็นนักศึกษา ถ้าหากเป็นครูก็ทำหน้าที่ของครูให้มั น, นสวยๆงามถ้าหากเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านให้มันดีๆถ้าเป็นกำนันก็ต้องทำหน้าที่กำนันให้มันดีๆถ้าเป็นตำรวจทหารเป็นอะไรก็ตามเถอะเป็นพ่อคนแม่คนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีๆแต่ทำดีๆแล้วคนอื่นจะไปช่วก็ตามทีเถอะ ดังนั้นจึงว่าสมกับหลักพระพุทธเจ้าท่านสอนวอาเป็นมงคลอันเดียอาศันนรรณาจะพาลานังเราจากไม่คบคนวามแต่คนพานภายนอกหลีกเลี่ยงได้อย่างสบายสบายแต่คนพานภายในคือเจ้าโทสะเจ้าโมหะเจ้าโลภะเจ้าอาวิชานี่เลี้ยงลีดได้โดยยากบุคคลที่จะหลีกเลี่ยงเหล่านี้ได้จำเป็นต้องมียานปัญญา แล้วก็มาสมกับที่ว่าบัณฑิตานันจะเฉวนาปูซาจะควรอยู่กับบัณฑิตและควรปูซากับบัณฑิตควรเคารพตัวเองบบนี้นี่แหละการเคารพตัวเองได้คือบัณฑิตคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญารอบรู้รู้จักตัวเองที่ว่าอยู่ที่นี่ดูที่ตรงนี้นี่มันเป็นอย่างไงดูเข้าไปจะเห็นอะไร เห็นที่สุดของทุกได้อย่างแน่นอนเรื่องนี้เดียวปูซาจะปูสานีน่นางเอตามังคมามุตตะมังเป็นมงคลอันสูงสุดของบุคคลของมนุษย์ถ้าเราทําได้อย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนไปไหนมาไหนก็ไม่เดือดร้อนถ้าหากเราทําให้เราเดือดร้อนแล้วเราก็ไปตีเพื่อนเอาเพื่อนทําให้เราเดือดร้อนจะเดือดร้อนทํำไง เราไม่เดือดร้อนคนอื่นจะเดือดร้อนนั่นเป็นเรื่องของคนจะห้ามไม่ได้ท่านผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ปฏิบัติแล้วก็เลิกละได้แต่ไม่ปฏิบัติก็ได้ถ้าเลิกละได้ถ้าเลิกละอย่างที่อาจมาพูดเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่ไม่ให้มันโกรธขึ้นมาแต่โคมโกรธขึ้นมาออตายแล้วเน่าเหม็นเปียกแสะเหมือนกับกองอุจจาระไปเสียแล้วแต่กองอุจจาระเราล้างออกได้นะ ล้างออกได้ดนะ้วสิ่งที่เลวร้ยรายกว่านั้นนะ่ะอยู่ที่ไหนยิงกว่านั้นล้างไม่ได้เพราะชีวิตมันสกปร ก, ปกู่เสียใจเสียใจเสียแล้วเอาคืนได้ไหมไม่ได้คําว่าเสียใจนะั้นหมายถึงใจที่บันดีตกปุ๊บไปแล้วเนี่ยจะเอาคืนมาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือท่านพุทธเจึงสอนอะว่าอาดีตที่ผ่านไปแล้วทําผิดก็าตามอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ทําผิดนั้นมันเอาคืนมาแก้ไม่ได้ อดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้อ น, นาคตพรุ่งนี้เราจะทำดีๆอย่าไปคิดมันต้องแก้ปัจจุบันเท่านั้นเป็นปัจจุบันเท่านั้นที่จะแก้ได้เชื่อว่าให้ดูสภาพภาวะของชีวิต จ, จิตใจในขณะมีลมหายใจเข้าออกอยู่ว่าอยู่ที่นี่กินที่นี่นั่งนอนที่นี่ไม่ต้องสู้และไม่ต้องหนีเอาสนะที่ตรงนี้ให้ได้ ท่านจึงสอนย้ำเข้าอีกว่าเอาชนะคนอื่นร้อยคั้งพันผลอาน่สงนันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่สู้เอาชนะตัวเองข้างเดียวเท่านั้นเนี่ยท่านสอนท่านย้ำแล้วย้ำอีกแต่เรื่องชีวิตเท่านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด